ถคนที่มีฮิริโอตปะสูงทําผิดนิดหน่อยก็มีความรู้สึกละอายแล้วระลึกถึงอยู่เสมอส่วนคนที่สองเป็นคนที่ไม่มีฮิริทําผิดเท่ากับคนแรกแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยคนที่หนึ่งเวลาจะตายก็นึกถึงความผิดที่ทำเอาไว้ก็จะไปสู่ทุกขติส่วนคนที่สองไม่นึกถึงเลยลืมหมดเวลาตายแล้วก็น่าจะไปสู่สุขติภูมิ มาเหตุผู้อ่านคือมีหลักอยู่ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันวังได้แต่ถ้าจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้อันนี้ต้องมองด้วยอุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบคือว่าผ้าที่ดำมากแล้วเติมอะไรเข้าไปไปโนดนอะไรเข้าอีกก็มองไม่เห็น หรือน้ำที่เป็นคโคลนแล้วเนี่ยมีอะไรใส่ลงไปอีกสีเขียวสีแดงใส่ลงไปก็เฉยแต่น้ําที่ใส่นั้นตรงกันข้ามใส่สีแดงลงไปนิดเดียวก็เห็นเหมือนผ้าหรือกระดาษสีขาวมีอะไรเปื้อนนิดหน่อยก็มองเห็นชัดจิตของมนุษย์ก็ทํานองเดียวกันจิตที่มืดมัวขนาดน้ําโคลนน้ําครามหรือเหมือนผ้าดําสุกกระก มันเป็นสภาพจิตที่หยาบและมืดดำของมันอยู่แล้วเมื่อทําอะไรที่เป็นบาปมืดดำน้อยกว่านั้นหรือเหมือนอย่างนั้นก็ย่อมไม่แปลกไม่รู้สึกแต่การที่จะไปเกิดที่ไหนนั้นก็ไปตามภูมิจิตหรือระดับจิตจิตที่มืดดำอย่างนั้นก็ย่อมไม่ไปสู่สุขติภูมิมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปเองตามธรรมดาของมันส่วนคนที่จิตใสสะอาด พอมีอะไรผิดแปลกนิดหน่อยก็เกิดความรู้สึกเศร้ามองใจขึ้นมามองเห็นเด่นชัดอันนั้นก็เป็นข้อดีที่แสดงว่ามีจิตใจประณีตแต่ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้ไปตกต่ำเพราะความเศร้ามองนั้นเรื่องนี้ขอให้พิจารณาในแง่การพัฒนาตนเพราะการปฏิบัติธรรมในความหมายหนึ่งก็คือการพัฒนามนุษย์นั่นเอง คนเราที่ต้องการเข้าถึงประโยชน์ของชีวิตที่สูงขึ้นไปหรือจะทำอะไรที่สูงขึ้นไปในทางคุณค่าของชีวิตก็จะต้องพัฒนาจิตของตนขึ้นไปให้ถึงระดับนั้นด้วยถ้าจะเข้าถึงประโยชน์และคุณค่าของชีวิตอย่างสูงจิตก็ยิ่งต้องประนีตมากขึ้นที่นี้ในตอนแรกเมื่อเขาอยู่กับชีวิตในระดับสัญชาตญาณจิตของเขาจะหยามจะมืดอย่างไรเขาก็ไม่รู้สึก แต่คนเราไม่ใช่จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปวันหนึ่งเขาจะต้องการคุณค่าของชีวิตจิตใจที่สูงที่ประนีตขึ้นไปแล้วความประนีตหรือไสสะอาดของจิตใจก็จะมีความหมายขึ้นมาทันทีพร้อมกับที่สิ่งที่ทำให้จิตยาบมืดดำก็ส่งผลในทางลบขึ้นมาทันทีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตมืดดาอยู่แล้ว เขาจะไม่รู้สึกต่อสิ่งสกปรกที่เติมเข้ามาจนกว่าเขาจะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นคือเมื่อจิตของเขาต้องการอะไรที่จะเป็นประโยชน์สูงกันนั้นแล้วเขาก็จะต้องมีระดับจิตที่พัฒนาขึ้นไปรับกันให้พอดีทีนี้ในตอนที่ยังไม่ได้พัฒนาตัวเองเขายังไม่เห็นแต่ไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้แต่พอเขาจะพัฒนาจิตปั๊บก็จะเกิดปัญหาทันที อะไรอะไรที่สะสมไว้ก็โผล่ขึ้นมาก่อกวนเป็นอุปสรรคแก่ตัวเองท่านผู้รู้อุปมาไว้อย่างนี้ว่าเหมือนอย่างในเรื่องความสกปรกเช่นพื้นห้องประชุมที่เราเดินกันอยู่นี่แค่นี้เราก็ว่าสะอาดแล้วใช่ไหมต่อมาเราเกิดต้องการที่เป็นโต๊ะทำงานความสะอาดแค่อย่างพื้นห้องสําหรับเดินนี้ก็ไม่พอเสียแล้วต้องให้สะอาดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจึงใช้งานได้ ทีนี้ถ้าเป็นแว่นตาละ่ะความสะอาดแค่อย่างโต๊ะทำงานก็ไม่พอเสียแล้วแว่นตาต้องสะอาดกว่าโต๊ะทางานขึ้นไปอีกจึงจะใช้งานได้จิตของเราก็เหมือนกันเมื่อจะใช้งานที่ปราณีตเช่นในการบรรลุธรรมที่สูงขึ้นไปหรือเมื่อต้องการบรรลุสุขที่ปราณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปในตอนแรกยังไม่ได้เริ่มต้องการยังไม่เริ่มจะเอาก็ยังไม่รู้ตัว คนที่มืดมัวอย่างนั้นไม่รู้สึกเลยมันหนักหนาจนกระทั่งไม่รู้สึกก็เฉยเฉยแต่พอจะเอาขึ้นมาจะต้องพัฒนาจิตให้มีระดับสูงขึ้นก็เจอปัญหาเจอพวกนี้กวนแล้วจะพัฒนาไปก็ไม่ได้มันตันหมดแสนจะยากมันต้องอาศัยจิตที่ประณีต ก, กว่านั้นเหมือนกับน้ำที่ต้องการที่เห็นอะไรอะไรชัดเจนก็ต้องใช้น้าที่ใสพอ ตอนแรกเรายังไม่รู้ตัวก็เลยไม่รู้สึกไม่เห็นคุณโทษของมันแต่พอจะพัฒนาขึ้นไปก็เห็นชัดเอาไปใช้ประโยชน์ที่ต้องการใหม่ไม่ได้ถึงเวลาที่ต้องการจะพัฒนาก็เกิดตัวกวนขึ้นมาเพราะสั่งสมในจิตที่หมักหมมไว้มากสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นอุปสรรคกั้นตัวเองในทางกลับกันคนที่มีฮิริโอตปะมากหรือมีฉันทะ ใฝดีมากอยากให้ชีวิตของตนดีงามบริสุทธิ์เมื่อไปทาอะไรผิดนิดๆหน่อยๆก็มองเห็นเด่นชัดแล้วก็เกิดความรู้สึกขุนมัวเศร้าหมองแล้วก็เอามาคิดปรุงแต่งทําให้เกิดความทุกข์มากในแง่นี้ก็ต้องก้าวหน้าต่อไปอีกขั้นหนึ่งคือมีหลักว่าอากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลหรือกุศลเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลได้ ดังนั้นเมื่อเราทำความดีถ้าทำใจวางใจไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันเราจึงต้องทำใจปรับใจให้ถูกด้วยโยนิโสมนสิการวิธีปฏิบัติวางใจให้ถูกต้องก็คือถ้าเกิดความผิดพลาดไปแล้วก็ตั้งใจว่าเอาละ่ะนั้นเป็นความผิดต่อไปนี้เราจะสารวมระวัง แลเอามันเป็นบทเรียนและเป็นฐานของการที่จะพัฒนาตัวต่อไปแล้วก็จะได้ทั้งปัญญาและได้แรงส่งที่มีพลังในการทาความดีเพิ่มขึ้นอย่ามัวคิดหมกมุ่นคุนมองให้ไม่สบายใจเพราะการคิดอย่างนั้นก็เป็นอกุศลกรรมด้วยไม่ถูกต้องให้คิดว่าเราเนี่ยโดยเจตนาที่แท้ก็ฝ่ายดีตั้งใจทำความดีแต่ด้วยความประมาท จึงพลาดไปทำความผิดไปแล้วยอมรับเสียและตั้งใจให้ถูกอย่าไปคุณมัวเศร้าหมองอีกตั้งใจว่าเราจะไม่ทำมันอีกพัฒนาตัวต่อไปอกุศลกรรมที่ทำก็จะไม่สั่งสมมากและยังได้พลังในการทำกุศลต่อไปด้วยเข้าหลักพุทธภาสิตที่ยกมาให้ฟังในคำตอบก่อนนี้